พระธรรมเทศนาแผ่นที่62ลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่28สิงหาคม2557มีชื่อเรื่องว่าเพื่อส่วนรวมวันนี้เป็นวันที่28 สิงหาคมพุทธศักราช2557เมื่อวานหลวงพ่อออกไปทำธุระทั้งที่สุขภาพเกี่ยวกับวัดไอเกี่ยวกับเป็นวัดแต่ก็ได้ออกไปเหมือนกับรถที่มันมีปัญหาเครื่องไม่สะดวกติดขัด แต่ก็ถึงยังไงเจ้าของรถโฟร์อร ถ, รถก็มีความจำเป็นคิดว่ามีความจำเป็นจะต้องอไปในงานนี้ก็ต้องบังคับรถตัวเองออกไปขับรถตัวเองออกไปทำงานลักษณะอย่างนั้นเมื่อวานเพราะเหตุใดเพราะว่าเป็นไข้เป็นหวัดแล้วก็เป็นนั่งรถแอร์ออกไปเมื่อวาน ไปทำงานอยู่สองสอย่างก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยนะมันทุก อ, อย่างงานบางอย่างให้คนอื่นทําแทนไม่ได้มันต้องใช้แนวความคิดหรือใช้ใเรื่องของเราไปทํางานแต่บางซิบางอย่างก็ใช้คนอื่นทําแทนได้แต่บางซิ่งบางอย่างมันทําแทนไม่ได้มันต้องไปพูดเองทําเองเห็นต่อหน้าเองลักษณะอย่างนั้นอ่ะ แต่พอตอนเย็นเขาก็นิมนต์ไปรับผ้าป่าที่นิยมการค้าบ้านผือก็นิมนต์พระในวัดของเราไปทั้งหมด9รูปสวดมนต์สวดมนต์เย็นแต่เมื่อวานนะ่ยไม่ได้มีการฉันเช้าอะไรสวดมนต์เย็นแล้วก็จบเขาก็ถาวายภาป่าเมื่อวานนี่ก็คณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานเขาก็รวมกันถาวายภาป่าเพื่อ ร่วมสร้างที่พักคนไข้ที่คนไปเยี่ยมไข่ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรที่หลวงพ่อกำลังทำอยู่ก็ได้จตุปัจจัยเมื่อวานได้สี่แสนนะมากพอสมควรอยู่4ี่แสนกับห0สสตังค์แล้วก็หลวงพ่อก็มอบให้ธนาคารไทยพาณิชยนะ์ อยู่ที่นั่นเอาธนาคารไทยพาณิชย์เก็บนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะได้ใช้แต่หลวงพ่อก็จ่ายไปได้ละจ่ายไปให้คณะกรรมการดูแลในเรื่องนี้จ่ายไปหแสนนะนะจ่ายไปหแสนแล้วเต็มได้มาอีกสี่แสนคงจะเป็นหนึ่งล้านก็คิดว่า จะใช้เงินประมาณล้านกว่างานนี่งานที่จะทำนี่คือห้องน้ำทั้งรวมกันแล้วไม่กี่ห้องส6บหห้องมังที่เสียเท่าแกนั้นเขาบอกว่าหลวงพ่อผมจะใช้ประตูอย่างดีหน่อยนะถ้าประตูธรรมดานะ่นกลัวมันจะพังเพราะมันสาธารณะประตูบานในประมาณบานละสองพันหลวงพ่อนะเออนี่แหละอันนี้ก็คือ เขาจะใช้จ่ายอะไรเขาก็บอกหลวงพ่อเหมือนกันแต่งานเขานี่ไม่ไม่ใช่งานงานเป็นงวดใครว่างานลักษณะรับเหมาอย่างลักษณะมีอะไรขาดเหลือจะจ่ายไปจ่ายไปลักษณะนั้นแต่เขาก็มีหนังสือค่าใช้จ่ายทั้งหมดมารายงานหลวงพ่อทุกครั้งความโปร่งใสหลวงพ่อไว้ใจไม่มีอะไรแล้วก็ ส่วนตัวของเขาก็จะทําบุญร่วมอยู่แล้วไม่มีไม่หนักใจนะหลวงพ่อนะถ้ามีอะไรนะผลผมช่วยกันหาก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรเอออันนี้ก็คือการช่วยชมชนสังคมแต่วันวันวันก่อนวันอุโบสถเมื่อวันก่อนหลวงพ่อก็ได้ถามท่านพระทวีปท่นทวีปสมประสงค์ใกล้เราเออเป็นไงวีบได้ยินว่า ทำสลาเหรือครับเราก็ถามก่อนหน้านนี้แห ล, ละล่ะมีปัจจัยเท่าไหร่มีปัจจัยอยู่แสนหนึ่งมโอ้แสนหนึ่งจะทํำสล า, าได้อย่างไงเราก็เลยเฉยๆแล้วบอวันวามันก่อนแล้วก็ถามอีกปัจจัยได้มาเพิ่มไหมละ่ะไม่ครับได้แสนเดียวแล้วทําอะไรเดี๋ยวเนี่ยกําลังให้ชาว บ, บ้านเขามัดเหล็กทําคานอยู่มันเราได้ยินนะครับ เขาก็อยากจะทําของเขาเพื่อพราะศาล า, าหลังเก่าเราก็ไม่ได้ไปอยู่ทั้งเขาก็คงจะเห็นปัญหาในศาลาหลังเก่าเพราะสร้างแบบโบราณปวกก็คงจะขึ้นไปเขาว่าปวกมันขึ้นไปเต็มหมดแล้วครับหลวงพ่อกลัวมันจะพังกันเลยพยายามขยับขยายไปที่อื่นก็เลยจะทำให้มันแข็งแรงขึ้นมาคงจะเป็นปูนซะทุกวันปวกมันก็เยอะ จ, จริงๆนะ ถ้าทำไม่ดีมนปวกมันขึ้นจริงๆทุกวันเนี่ยปวกเยอะนะหลวงพ่อก็เลยออเออเอาจุตุปัจจัยภายในวัดของเราเนี่ยรวมสมทบสร้างศาลาสมประสงค์กับท่านประเทพสองแสนบาทเนเะมื่อวานเนะมื่อวานันก่อนนะลูกหลานนะคณะทายาิโยมนะในราักจิตุปัจจัยของเราที่ได้มาหลวงพ่อก็นนะแบ่งซ้ายแบ่งขวาแบ่งหน้าแบ่งหลัง ถ้าลุงพ่อไม่พูดให้ฟังลูกหลานก็คงจะไม่รู้เหมือนกันแต่ลุงพ่อพูดก็เหมือนกับลุงพ่อไม่มีอะไรไมิจะพูดเรื่องจะตกปัจจัยเรื่องเองินเรื่องทองอย่าอย่างนั้นอีกถ้าไม่พูดเลยก็ไม่ได้ถ้าพูดพั่มเพื่อเรื่องเกิ น, นไปก็ไม่ถู ก, ก, ถ, กถ้าไม่พูดเลยลูกหลานทั้งหลายก็กจะตกปัจจัยได้มายังไงไปยังไงไม่รู้ที่ไปที่มาก็สงสยงัยอีกถ้าพูดมากเกินไปก็ทําให้ลูกหลาน ก็คืบอบุตรลุงพ่อนะคงจะไม่คิดอะไรคงจะคิดแต่เรื่องเงินเรื่องจะตกปัจจัยเท่านั้นแต่ไม่ใช่นะลุงพ่อนะดูกาลเทศะการสถานที่บุคคลเมื่อได้ทําไปแล้วคนนะ่ะน่าจะแจ้งให้พวกเราทราบเพราะปะจนะัจจัยนั้นไม่ใช่ปัจจัยของลุงพ่อถึงก็จะตระวัยลุงพ่อก็เถอะนะแต่ลุงพ่อไม่ได้ถือว่าเป็นปัจจัยของตัวเอง เ, อเป็นปัจจัยของพระพุทธศาสนา เป็นปัจจัยของพระพุทธเจ้าเป็นปัจจัยของคณะสงฆ์คณะธรรมญาติโยมให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างเครื่องมือแพทย์เนะี่ยวันที่29ที่จะถึงเนะี่ยวันนี้วันที่28ดใช่ไหลนะ่ะวันที่29สเนะี่ยสีนักเรนเขาก็จะเอาเครื่องมือมาส่งให้หลวงพ่อหลวงพ่อก็คงจะเอาในมณฑพระมาเชิญรับกันรับรู้รับทราบกันเมื่อรับทราบเสร็จแล้วก็ เอาให้เขาไปใช้ที่ศรีนครินเป็นเครื่องมือผ่าตัดด้วยความถี่สูงผ่าตัดลเลือดไม่ออกเครื่องตัวนี้ผ่าตัดลเลือดไม่ออกราคาล้านเจ็ด น, นี่แหละวันพุ่งนี้แหละเขาจะมาส่งให้หลวงพ่อหลวงพ่อรับแล้วก็คงจะส่งกลับให้เขาไปใช้งานต่อไปแต่ที่จังหวัด น้องบอลลำพูเครื่องช่วยหายใจตัวนั้นก็ห้าแสนตัวนั้นก็ยังไม่ได้จ่ายแต่พูดทั้งนี้ท้งนั้นให้ฟังก็เพื่อให้พวกลูกหลานคณะทาไทยญาติโยมได้ทราบว่าจิตุปั จ, จที่ได้มาต่างกลามต่างวรระคนละมากคนละน้อยหลวงพ่อก็ได้นะได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อประเทศชาติต่อวัดวาศาสน า, ศาปัจจัยสไม่ได้คิดว่า เป็นของตัวเองหลวงพ่อฉันวันหนึ่งก็พอแล้วผ้าจีวรปืนหนึ่งกี่ปีขาดอยากแก่โรคภัยแก่เจ็บว่าแต่หลวงพ่อพูดจะรักษาที่ไหนเป็นอะไรหมอเขาก็ยินดีเพราะหลวงพ่อช่วยแพทย์ช่วยหมอมามากต่อมากถ้าหมอไม่ช่วยหลวงพ่อจะช่วยใครแต่หลวงพ่อก็ไม่คิดจุดนั้นอีกเหมือนกันถึงหมอจะช่วยขนาดไหนก็เถอะ อีกสักวันหนึ่งหลวงพ่อก็คงจะตาย เ, เหมือนกับคนทั่วไปหลวงพ่อก็ไม่ได้คิดเกิดแก่เจ็บตายก่อนที่จะตายนั่นนะสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อโลกต่อประเทศชาติต่อตอนเองให้มากตนเองก็คืออะไรประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอันนี้คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านก่อนที่จะปรินิพานะท่านตัดเป็น วาจาสุดท้ายขยะวยธรรมมาสร้างคาราอั ป, ปมาเดนะสัมปาเดธาติสังขารทั้งหลาย เ, าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของไม่เที่ยงนะอขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ตนก็คือน่ยอย่าให้ขาดตกบกพร่องรักษาศีลไหวพระสวดมนต์นั่งภาวนาอย่าให้ขาดตกบกพร่องเนาะประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นก็ให้ช่วยๆกันดู เพื่อให้อยู่ด้วยกันร่วมด้วยความร่มเย็นเป็นสุขอย่าเบียดเบียนซึ่งกันละกันให้มีเมตตาต่อกันเ อ, อกไม่นานอนะพวกท่านทั้งหลายก็นนะ่ะเหมือนกันนะ่ะตายไปหมดอนะเพราะนั้นประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ไปพร้อมกันให้มันดีที่สุดคิดดีทำดีพูดดีเนาะลักษณะอย่างนั้นแหละเนะพราะนั้นหลวงพ่อเอง พิจารณาดูแล้น่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสไว้นั่นหาที่แย้งไม่ได้ถูกต้องอยอมรับ เ, เพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสถานญาติโยมลูกหลานพระเนรทุกองนะอยู่นักสถานที่ใดอย่าให้มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นให้ภาวนาดูใจของตอนเองไม่ถึงร้อยปีลวต่างคนก็ต่างไปหลวงพ่อไม่คิดว่าจะอยู่นานโชคฟ้าดินสลายนะ นี่น่ดูตนเองอยู่ตลอดเวลาทำเพื่ออะไรก็ทำเพื่อประโยชน์พุทธศาสนาทำเพื่อประโยชน์ประเทศชาติทำเพื่อประโยชน์ช อ, น อ, องศาคณญาติคณะสัทธาญาติโยมสรุปแล้วก็คือทำดีอยู่นัสถานที่ใดให้เป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีถ้าอยู่ที่ไหนก็รมเย็นเป็นถูกทางหมด ถ้าเราคิดดีทดําดีพูดดีดีนั่นคืออะไรเนี่ยให้ศึกษาเนี่ยไม่ใช่ว่าดีแต่ตัวเองนะไปเหยียบหัวคนอื่นก็ไม่ใช่คนอื่นเดือดร้อนนะไม่โทกตีนั่นคืออะไรข้าพเจ้ามีศีลห้าเนีมีกรรมบท10สิบากายกรรมว จ, จีกรรมมโนกรรมากายกรรมคือการกระทําทางกายว จ, จีกรรมคือคําพูดมโนกรรมคือความคิด คิดยังไงคิดไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นคิดไม่โลภอยากจะได้ของคนอื่นคิดไม่พยาบาทปองร้าคนอื่นค่ะคิดมีเมตตาต่อหมู่พวกเพื่อนต่อสปปรรพสัตว์ทั้งหลายคิดแล้วกระทำไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่ดื่มสุรารรทำโพดไม่พูดเท็จ ไม่พูดโกหกไม่พูดคําหยาบไม่พูดเผ้อเจ้อไม่พูดเหลวไหลอะไรสาระหาประโยชน์ไม่ได้ไม่ควรจะพูดในสิ่งที่จะทําให้ทําให้ยุยงให้แตกแยกสัมมคีกันพูดในทางที่ไม่ดีไม่ถูกต้องตามกฎทํานองคลองทำตามกฎหมายบ้านเมืองตามศีลธรรมจริยธรรมที่ดีไม่ควรจะพูดถึงจะรู้ก็ไม่ควรจะพูด รู้ทั้งรู้ก็ไม่ควรจะพูดพอพูดไปแล้วมันเสียหายอันไหนควรพูดอันไหนไม่ควรพูดก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาซะก่อนค่อยพูดนะอันนี้แหละคิดดีทำดีพูดดีเอาต่อนนี้ไปรับพรอนุโมทนาให้พร